อีกสูตรหนึ่งก็ก็ดนะีในปุณณะสูตรซึ่งเป็นสูตรที่เราคุ้นเคยอยู่แล้วก็จะ ก, กล่าวแต่สรุปนะนะ <c oughs> สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าประทับอยู่ณนะมิคารมาตุปราศาสตรในพระวิหารบุพพารามบุพพะบุพเะตัวนี้หมายถึงทิศตะวันออกนะไม่ได้แปลว่าดอกไม้นะถ้าดอกไม้โดยปกติจะเขียนผอผึ้งนะน ปุบพระตัวนี้แปลว่าตะวันออกเพราะันอารามที่อยู่ในทิศตะวันออกของเมืองสาวัตถีเนี่ยนะเออเชตะวันนี้อยู่ที่ใต้ใช่ไหมเทพเชตะวันนี้อยู่ที่ใต้ของสาวัตถีเออส่วนปุบพารามนี่อยู่ทิศตะวันออกของเมืองสาวัตถีวันนั้นนี่เป็นวันอุโบสถเหงั้นกันแ ในคืนวันอุโบสถ15าค่ำเป็นวันเพ็ญมีพระจันทร์เต็มดวงพระผู้มีพระภาคเจ้าอันภิกษุสงแวดล้อมแล้วประทับจุดนั่งอยู่ณที่แจ้งครั้งนั้นภิกษุรูปหนึ่งลุกจากอาสนะห่มจีวรเฉียงบ่าข้างหนึ่งแล้วประนมมือไปทางพระผู้มีพระภาคเจ้าได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคเจ้าว่า ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์นิพึงทูลถามเหตุประการหนึ่งกับพระผู้มีพระภาคเจ้าถ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงประทานโอกาสที่จะพยากรปัญหาแก่ข้าพระองค์นี่รูปนี้เป็นผ้ารหันนะองค์เทศถานนะเป็นผ้ารหันพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสตอบว่าดูก่อนพิสุถ้าเช่นนั้นเธอจงนั่งณอาสนะของตนแล้วถามปัญหาที่เธอมุ่งจํานงเถิดนี่นะเออ พระรูปนี้เป็นพระอรหันต์แล้วก็มีลูกศิษย์ด้วยห้าร้อองค์เนี่ยนะลูกศิษย์ท่านนั่งอยู่ในที่นั้นห้าร้อยองค์ถ้าท่านยืนขึ้นแล้วถามปัญหาไปลูกศิษย์เนี่ยอยากจะยืนตามถ้าลูกศิษย์ยืนไม่เคารพพระพุทธเจ้าถ้าลูกศิษย์นั่งอยู่ไม่เคารพอาจารย์ดันั้นพระพุทธเจ้าก็บอกว่าให้อาจารย์เนี่ยนั่งลงแล้วถามภิกษุนั้นรับพระดารัสของพระผู้มีพระภาคแล้วนั่งณอาสนะของตนทูลถามปัญหาพระผู้มีพระภาคเจ้าว่า ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญอุปาทานขันห้าได้แก่อุปาทานนัขันคือรูปอุปาทานนัขันคือเวทนาอุปาทานัขันคือสัญญาอุปาทานัขันคือสังขารอุปาทานัขันคือวิญญาณเหล่านี้ใช่ไหมพระเจ้าค่ะก็คำตอบก็ใช่นั่นแหละภิกษุก็ถามต่อไปเนี่ยนะสูตรนี้เป็นเป็นพระสูตรเวทละคือจะจะถามสูงสูงสูงสูงยิ่งย่งขึ้นไป พิสูจนั้นชื่นชมอนุโมทนาภาษิตของพระผู้มีพระภาคเจ้าว่าสาธุพระเจ้าค่ะและได้ทูลถามปัญหายิ่งขึ้นไปว่าอุปาทานขันห้าเหล่านี้แลมีอะไรเป็นมูลเหตุพระเจ้าค่ะมูลตัวนี้หมายถึงสมุทัยนะไอ้ตัวขันห้ารูปเวทนาสัญญาสังขารมีอะไรเป็นมูลพระองค์บอกว่าอุปาทานขันห้าเหล่านี้มีฉันทะเป็นมูลนะฉันทะในที่นี้หมายถึงตันหานะอุปาทานขันห้ามีตันหาเป็นมูล นะแต่เขาใช้คำว่าฉันทะก็คือตัณหานั่นเองก็เท่ากับบอกว่ า, าถ้ากล่าวให้รวมๆบอกว่าชีวิตทั้งหมดคือขันห้าใช่ั้ยพระเจ้าค่ะบอกใช่ขันห้าเราทั้งหมดนะมีอะไรเป็นมูลบอกตัณหาทนะามองให้เป็นสัจจะเลยนะพิสุกก็ถามว่าอุปาทานก็อันนั้นอุปาทานขันหา้าก็อันนั้นหรือหรือว่าอุปาทานขันห้าอื่นจากอุปาทานขันหา้า เนี่ยนะย้อนอีกครั้งหนึ่งนะอุปาทานก็อันนั้นและอุปาทานขันห้าก็อันนั้นหรือว่าอุปาทานเนี่ยอื่นจากอุปาทานขันห้าพระเจ้าค้าเนี่ยนะดูความพ่สุจนอุปาทานก็อันนั้นและอุปาทานก็อันนั้นก็หาไม่ได้อ่าขออภัยอุปาทานก็อันนั้นและอุปาทานขันห้าก็อันนั้นก็หาไม่ได้อ่านะคือในบรรดาขันห้าเนี่ยนะอ่าขออภัยย้อนอีกครั้งนึง ไอ้คำว่าอุปาทานขันห้าเนี่ยองค์ธรรมคือตัวเขาคืออะไรนะคำว่าอุปาทานขันห้าประกอบไปด้วยรูปยี่สิบแปดเนี่ยนะเวทนาแปดสิบเอ็ดสัญญาแปดสิบเอ็ดนี่ยนะสังขารก็แปดสิบเอ็ดหมือนกันเรียกรวมตามนะแล้วก็โลกิยจิต อีกเนี่ยนะพวกนี้คือคืออุปาทานขันห้าทีนี้ในอุปาทานขันห้าเหล่านี้เนี่ยนะตัวสังขารขันเนี่ยมีอยู่2ตัวคือตัวตันหากับทิฏฐิ2ตัวนี่เป็นอุปาทานนี่คำถามว่าอุปาทานก็อันนั้นอุปาทานก็อั น, นอุปาทานขันห้าก็อันนั้นหรือ เนี่ยนะพระ อ, องค์ก็บอกว่าหาไม่ได้คือไม่ใช่คือคือจะไปเมาวรวมกันทั้งหมดได้ไหมเพราะ อ, าอุปาทานองค์ทำแคบใช่ไหมคือตัวตันหากับตัวทิฏฐิแต่ว่าทั้งหมดนี่คืออุปาทานขันห้าเนี่ยนะแต่พระ อ, องค์ก็ตรัสแยกว่าแต่ฉันทราค่าในอุปาทานขันห้านั่นแหละเป็นตัวอุปาทานเนี่ยนะคือตัว ตัวตันหาตัวที่ทิที่ไปยึดติดไปข้องในขันหไอตัวนั่นแหละเป็นตัวอุปาทานเอ่อเจิญผ่านเอ่าา 5, อ, อคำว่าอุปาทานขันหตัวนี้เนี่ยแปลว่าขันที่เกิดจากอุปาทานอย่างหนึ่งและอีกอย่างหนึ่งแปลว่าขันที่เป็นปัจจัยแก่อุปาทานชื่อว่าอุปาทานขันห แต่ตัวอุปาทานมันก็ไม่ได้พ้นจากขันห้าหรอกมันก็คืออยู่ในขันห้าแต่อุปาทานขันแคบกว่าขันห้าเนี่ยนะมันคําถามว่าขันห้ากับอุปาทานขันห้าอันเดียวกันใช่ไหมบอกไม่ใช่แต่ตันหาที่ไปยึดติดในขันห้าอันนี้แหละเป็นอุปาทานเนี่ยนะแต่อุปาทานมันก็อยู่ในขันห้าอีกนั่นแหละอ้าวเพราะมันยึดตัวมันเองก็ได้อ่ะ ตันหาก็ชอบตันหาไม่ใช่หรือใช่ไหมตันหาก็ชอบทิฏฐินี่มั น, ม น, ม น, มน ก, ก็ต้องแยกกันนะนะคือตัวอุปาทานถ้าถ้าผู้ที่เรียนจิตเรียนกับอารมณ์มาแล้วนะตัวอุปาทานน่ะคือตัวนามที่ไปรับรู้ทั้งนามทั้งรูปอ่ะเห็นไหมแต่ทีนี้ว่าผู้ที่ถาม ท่านไม่ได้สงสัยแต่ท่านถามให้ให้ลูกศิษย์ของท่านเหนไหพิสูจน์นั้นก็ชื่นชมานุโมทนาถามปัญหายิ่งไปว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญก็ฉันธราค่าในอุปาทานขันห้าแตกต่างกันหรือคือตันหาที่ชอบขันห้านี่มันต่างกันไหมเอาถามง่ายๆว่าคนนี่มันชอบขันห้าต่างกันไหมพผู้มีพระภาคตรัสว่าต่างกันภิกษุ แล้วตรัสไปว่าดูก่อนพิสูจ์บางคนในโลกนี้มีความปรารถนาอย่างนี้ว่าในอนาคตการเราพึงมีรูปอย่างนี้มันคนที่เกิดมาในโลกนี้อาพับในเรื่องรูปชาติหน้าก็ปรารถนาอยากให้มันรูปดีๆเนี่ยนะบางคนบอกแม้ขาดแคลนความสุขมากเพราะฉะนั้นชาติหน้าขอให้มีความสุขมาเยพวกนี้ก็ตั้งความปรารถนาะว่าต่อไปเนี่ยปรารถนาเวทนาใช่ไหมบางคนเนี่ยปรารถนาให้มีสัญญาดีๆเนี่ยนะบางคกบอกว่าปรารถนาสังขารเช่นปรารถนาปัญญาเนี่ปรารถนาสังขารเนี่ย บางพวกก็ปรารถนาวิญญาณปรารถนาจิตเพราะฉะนั้นไอความต้องการในขันห้าเนี่ยต้องการไม่เท่ากันต้องการไม่เหมือนกันนะบางคนต้องการรูปเนี่ยนะพวกขาดแคลนวัตถุทั้งหลายต้องการรูปพวกมีวัตถุมากแต่ขาดความสุขนะพวกนี้ต้องการความสุขเพราะฉะนั้นจะต้องการไม่เหมือนกันนี่ยนะจานมินติต้องการอะไรบ้างสรุปแล้วไม่ได้ต้องการเหมือนคนอื่นกันแล้วกันเนาะ คือขันท่าที่ชอบขันห้าน่ะชอบไม่เหมือนกันหลับเชื่อหนี่นะถึงชอบขันทั้งห้าก็ยังชอบคนละคนไปอีกเลยใช่ไหมก็สรุปแล้วชอบไม่เหมือนกันพิสูจน์นั้นก็ชื่นชอมานุมโมทนาแล้วก็ถามต่อไปว่าข้าแต่พระ อ, องค์ผู้เจริญด้วยเหตุเพียงเท่าไหร่หนอขันจึงชื่อว่าขันนี่นะทําไมจึงชื่อว่าขันเหมือนันเถอะไอ้อุปาทานขันห้าเหล่าเนี้ยทําไมจึงชื่อว่าขัน ศัพท์ว่ากองอ่ะนะเหตุเท่าไหร่มันจึงเรียกว่าสิ่งเหล่านี้ว่าเป็นกองพองก็บอกว่าเพราะ11อย่างนะอดีกรูปคือทั้งรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญยาณเนี่ยนะเพราะมันต่างโดยอดีตอย่างหนึ่งอนาคตอย่างหนึ่งปัจจุบันอย่างหนึ่งภายในอย่างหนึ่งภายนอกอย่างหนึ่งหยาบอย่างหนึ่งละเอียดอย่างหนึ่งเลวอย่างหนึ่งประณีตอย่างหนึ่งใกล้อย่างหนึ่งไกลอย่างหนึ่งแต่ทั้งหมดนั้นก็คือขันห้า เพราะที่มันแยกได้เป็นสิบเอ็ดอย่างอย่างนี้นี่แหละจึงเรียกว่าขันเนี่ยนะทั้งไอตัวอุปาทานเหล่านี้เพราะมีทั้งที่เป็นอดีต ท, ที่จะมีอนาคตปัจจุบันภายในภายนอกอย่าละเอียดเลวประณีตใกล้ไกลนั่นแหละจึงชื่อว่าขันเพราะสิบเออย่างนี่แหละจึงเรียกว่าขันถ้าไม่เรียกถ้ามันไม่มีทั้งสิบอ็แบบนี้นะจะไม่เรียกว่ามันเป็นขันเด็ดขาดทีนี้พิสุก็ถามยิ่งขึ้นต่อไปว่าอะไรเป็นเหตุปัจจัยให้ ทำให้ให้รูปขันอะไรเป็นเหตุปัจจัยทำให้เวทนาขันสังขารขันวิญญาณขันปรากฏ น, นะอะไรตัวไหนเป็นตัวแสดงรูปขึ้นนะถ้าถ้าถ้าพูดอีกนายหนึ่งหนะอะไรเป็นตัวให้แสดงให้เกิดรูปอะไรเป็นตัวแสดงให้เกิดเวทนาแสดงให้เกิดสัญญาสังขารวิญญาณ่ะนะจะรู้พวกนั้นได้อย่างไางนันันเถอะ พระองค์ก็บอกว่ามหาภูตรูปแลเป็นเหตุปัจจัยทําให้รูปประขันปรากฏเนี่ยนะถ้าไม่มีรูปนะขันท่าจะปรากฏมีไหมไม่มีเนี่ยนะเออขอไปถ้าไม่มีมหาภูตรูปนะเช่นสีเนี่ยจะมีไหมสีเสียงจะมีเสียงไหมจะมีสีไหมจะมีกลิ่นมีรสมีอย่างใดอย่างหนึ่งไหมถ้าไม่มีรูปมหาภูตรูปเพราะฉะนั้นมหาภูตรูปเป็นตัวแสดง รูปประขันหรือทําให้รูปประขันตรากฏขึ้นเนไนะเพราะฉะนั้นถ้าพิจารณารูปประขันเนี่ยรูปที่เหลือก็เท่ากับพิจารณาทั้งหมดเนี่ยนะเพราะมหาพูดมันเป็นเหตุแห่งรูปประขันส่วนภาษะเป็นเหตุแห่งเวทนาสัญญาและสังขารขันถ้าไม่มีภาษาและนะสังขารเหล่านั้น เ, เวทนาจะเกิดไหมสัญญาสังขารจะเกิดไหมภาษะเป็นเหตุแห่งเวทนาสัญญาสังขาร นามรูปเป็นเหตุปัจจัยทําให้มีวิญญาณขันธ์ถ้าไม่มีนามรูปนะวิญญาณขันธ์ไม่มีนะเพราะฉะนั้นสรุปนะว่ามหาพูดเป็นเหตุแห่งรูปภาษาเป็นเหตุแห่งเวทนาสัญญาสังขารนามรูปเป็นเหตุแห่งวิญญาณา น, นะนะเสร็จแล้วก็คําถามอื่นก็คือสกายาทิฐิมีได้ยังไงก็มีได้เพราะไม่ได้สดับเห็นรูปโดยความเป็นอัตตาเป็นต้นนั่นเองสกายาทิฐิจะดับได้ยังไง จะไม่มีได้ยังไงผมก็บอกว่าจะดับได้เพราะหนึ่งะเป็นผู้ได้สดับเห็นพระอริยฉลาดในธรรมะของพระอริยมีวินัยของพระอริยเนี่ยนะก็คือสรุปว่าเห็นพระพุทธเจ้าหรือเห็นคำสอนของพระพุทธเจ้าเป็นอย่างดีแล้วเจริญวินัยสิบประการกนเนี่ยนะผู้ที่เจริญอย่างนี้จะไม่เห็นรูปโดยความเป็นอัตตาเป็นต้นเนี่ยนะก็จะไม่มีสากายติทิทั้งยี่สเนี่ยนะ พิสูจน์หลังก็ถามต่อไปว่าแล้วอะไรเป็นอัสาธาอาทีนวะนิสรณะของเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณเนี่ยนะก็อัาธาของขันธ์ห้าก็คือขันธ์ห้าที่มันก่อให้เกิดสุขและโสมนัตใช่ไหมอะไรเป็นโทษของขันธ์ห้าก็คือขันธ์ห้าไม่เที่ยงเป็นทุกข์และก็แปรปรวนไปเป็นธรรมดาอันนี้เป็นโทษของขันธ์ห้าและอะไรเป็นการถ่ายถอนขันธ์ห้าหรือสลัดออกจากขันธ์ห้าบอกว่าตัดเยื่อใ ย, ยเสีย้นยนเห็นไ ก็คือการตัดฉันนราคะตัดเยื่อใยในขันห้านั่นแหละเป็นการสลัดออกจากขันห้านี่คําถามต่อไปสูงขึ้นว่าเมื่อรู้รู้อขอไปเมื่อบุคคลรู้อยู่อย่างไรเห็นอยู่อย่างไรจึงจะไม่มีอาหารการ ม, มังการและมานานุสัยในกายที่มีวิญญาณนี้และสัพพานิมิตภายนอกกขาบอกว่ารู้เห็นอย่างไรจึงจะไม่มีตันหา ม, มานะทิฐิกับทุกอารมณ์เลยเออ คําถามง่ายๆแบบนี้นี่ยคือรู้ยังไงจะไม่มีกิเลสกับทุกอารมณ์เลยอะพระองค์ก็บอกว่ารูปขอว่าไปนะรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณอะนะทั้งที่เป็นอดีตอนาคตปัจจุบันภายในภายนอกอย่าละเอียดเลวประณีตใกล้ไกลเห็นด้วยปัญญาอันชอบตามความเป็นจริงว่านั่นไม่ใช่เรานั่นไม่ใช่ของเรานั่นไม่ใช่อัตตาของเรา สรุปนะถ้าจะไม่ให้มีตันหามานะที่ถีในขันห้าก็ต้องไม่ตามเห็นว่าขันห้าเป็นเราเป็นของเราเป็นอัตตาของเราสิสรุปไปให้เห็นว่าขันห้าไม่เที่ยงเป็นทุกข์แล้วก็เป็นอนัตตานั่นแหละทีนี้พอพอแสดงอย่างนี้จบนะถือว่าถ้าตามสูตรนะี้ถือว่าบรรลุอรหันต์กันไปแล้วแต่ทีนี้เกิดมีไอ้ลับที่อัตตาอยู่ในนั้นอยู่คนหนึ่งะนะ คือมันรัที่ว่าอัตตาอย่างหนึ่งขันห้าอย่างหนึ่งอันนี้เป็นรัฐที่นะเป็นที่ถีคิดขึ้นเฉยๆเนี่ยนะอย่าไปอย่าไปคิดเมาตามเดี๋ยวแย่ yeah. คือสมัยนั้นและพิสูรรูปหนึ่งได้เกิดความปริวิตตกแห่งใจขึ้นว่าท่านผู้เจริญทั้งหลายได้ยินว่าด้วยประการดังนี้แลรูปเป็นอนัตตาเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนี้เป็นอนัตตากรรมที่อนัตตาทําแล้วจะให้ผลแก่อัตตาอย่างไงเอออันนี้เนี่ยเป็นอัตตาแต่ทั้งหมดเนี่ยมันเป็นอนัตต า, ต า, นน า, ตาใช่ไหม อนาตานี้มันทํากรรมข้างหน้ามันจะมีอัตตาขึ้นเอ๊ะแล้วกรรมที่อนาตตาทำแล้วอัตตามจะไปรับกรรมยังไงเนี่ยนะก็คือยังห่วงอัตตามากเหมนกันแต่ห่วงคือไปสําคัญอย่างใดอย่างหนึ่งว่าเป็นอัตตาจนได้ครั้งนั้นแหละ พ, พระองค์ก็ทราบว่าพระภิกษุรูปนั้นคิดแบบนั้นขึ้นพระองค์ก็ตรัสว่าข้อที่โมฆะบุรุษบางคนในธรรมวินัยนี้ผู้ตกอยู่ในอำนาจอวิชามีใจถูกตันหาครอบงาําพึงสําคัญศัตุสัต ว่าเป็นคําสอนที่ควรคิดให้ตระหนักว่าท่านผู้เจริญทั้งหลายได้ยินว่าด้วยประการดังนี้แลรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเป็นอนัตตากรรมที่อนาตาัตตกระทาแล้วจกให้ผลแก่อัตตาได้อย่างไงนี่เป็นเหตุฐานะที่จะมีได้คือมันคิดไปคิดมานะอัตตาก็อย่างหนึ่งนะขันห้าก็อย่างหนึ่งทีนีไ้ไอ้เจตนากรรมมันเป็นขันห้าใช่ไหมเจตนากรรมมันนับเนื่องในสังขารขันห้เป็นขันชนิดหนึ่งเอแล้วไอ้ขันอันนี้มันทําขึ้น มันเป็นอนัตตาแล้วมันทํากรรมแล้วอัตตาจะไปรับกรรมได้ยังไงวะเนี่ยนะงงเลยพระองค์ก็เลยถามอ่เธอทั้งหลายอันเราแนะนำไว้แล้วด้วยการทวนถามในธรรมะนั้นๆในบาลีประเทศนั้นๆจะพึงสำคัญความข้อนั้นเป็นฉนัยรูปเที่ยงหรือไม่เที่ยงอันนะัให้ย้อนอีกครั้งหนึ่งนะถ้าจะสำคัญว่าอัตตาเกิดขึ้นเนี่ยพ้นขันท่าไหมไม่พ้นถ้าจะยึดว่าโดยขันหาก็ยึด ยึดอัตตาเนี่ยนะก็ยึดในขันห้าไม่ขันใดก็ขันหนึ่งหรือทุกขันนั่นแหละแล้วขันเหล่านั้นมันเที่ยงหรือไม่เที่ยงไอเที่ยงสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นสุขหรือเป็นทุกข์บอกเป็นทุกข์สิ่งใดไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปรปรวนเป็นธรรมดาควรรู้จะตามเห็นว่านั่นเรานั่นของเรานั่นอัตตาของเราเพราะฉะนั้นไอรัตที่อัตตก็คือเกิดจากการตามเห็นว่าสิ่งเหล่านั้นเป็นเราเป็นของเราเป็น อัตตาของเราถ้าไม่เห็นขันท่าว่าเป็นเราเป็นของเราเป็นอัตตาของเราแล้วเนี่ยอัตตามันจะเกิดได้ยังไงเหมือนกันพราะนั่งบอกว่าไม่ควรเห็นอย่างนั้นแหละพระองค์ก็ย้อมไปว่าเพราะฉะนั้นแหละพิสูจทั้งหลายรูปคือขันท่าเนี่ยนะทั้งที่เป็นอดีตอนาคตปัจจุบันภายในภายนอกยาบละเอียดเลวประณน็ตใกล้และไกลเธอเพึงเห็นด้วยปัญญาอันชอบตามความเป็นจริงว่านั่นไม่ใช่เรานั่นไม่ใช่ของเรานั่นไม่ใช่อัตตาของเรา อ, ร, า อ, ร, าอริยาสาวกไม่ได้ฟังอย่างนี้ อ่ะ น, นะคือแล้วก็รู้อยู่เห็นอยู่อย่างที่พระ อ, องค์กล่าวแล้วเนี่ยนะก็ย่อมเบือหนายแม้ในรูปเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณเมื่อเบื่อหนายก็คลายกําหนับเพราะคลายกําหนัดจิตก็หลุดพ้นเมื่อจิตหลุดพ้นก็รู้ว่าชาสิ้นแล้วพรหมจรรย์อยู่จบแล้วกิจที่ควรทำทำเสร็จแล้วกิจอื่นเพื่อความเป็นอย่างนี้ไม่ได้มีเนี่ยนะช่นี้แหละพราะว่าสูตรนี้เออคือที่ที่กล่าวว่าสูตรก่อนบรรลุเป็นพระอรหันต์นะไม่ผิด นะถูกแล้วเพราะว่าในสูตรแต่ละสูตรของวักนี้มีพิสูจ์บรรลุห้ารอยรูปคือแต่ละสูตรนะบรรลุสูตรละห้าร0อยห้าร้ยห้ารอยเนี่ยนะนึกว่าพร่เข้าใจผิดเพี้ยนมาจากไหนอีกนะสูตรนี้จบสูตรหลังก็บรรลุอีก5้าร้อยสูตรก่อนก็ห้าร้อยของเราเนี่นะฟังมาเยอะนะมีบุญมาก คากบว่าโหก็ เ, เอาเพชรมาโชคดีละก้อนดีละก้อนนะแล้วคนนั้นเอาไปประดับไปนะคนนี้เอาไปประดับไปนะผ่านเราหมดเลยนะอันะผู้โชคดีห้าร้ยท่านแรกอันนะก็ เ, เอาเพชรก้อนนี้ไปโชคดีกลุ่มที่สองอนะของเราก็ได้ฟังประกาศข่าวดีก็ดีแนละ้ว คิดๆดูดีนะเราได้ฐนในปัจจุบันนีเรามาเก็บเอาดี๋วนี้นะครับมหาดี๋วนีคถ้าไม่มีถ้าไม่มีปัจจัยเหล่านั้นนี่ะซึ่งขึ้นมาปรุงแต่งน่ก็เช่นถ้าไม่มีรูปอาหารชีวิตตอนนี้นะถ้าไม่มีอาณามหาพูดอยู่ได้ด้วยอาหารถ้าตัดอาหารสิ้นเชิงนะรูปอาคารก็อยู่ไม่ได้ นะเนี่ยถ้าเนี่ยเราได้ยินเียเนี่ยมเาอยู่นี่ลจิตเห็นก็ก็หาอาศัยสิ่งเราเนี่ยก็อันแต่ว่าอันนี้โดยใกล้นก็ก็ดูว่าไกลหรือใกล้นะคือพูดในแง่ใกล้ก็ไม่ผิดแต่ว่าไกลก็ไม่ผิดอะไรก็มีทั้งไกลและมีและใกล้แต่ความเป็นขันห้าคือสิ่งที่ดำรงอยู่ตอนนี้มันชีวิตในอดีตก็ หมดไปแล้วชีวิตในอนาคตก็ยังไม่มีชีวิตที่เป็นจริงก็มีอยู่ในตอนนี้เพราะฉะนั้นไอชีวิตที่ยังเหลืออยู่นี้ควรจะเจริญกุศลให้มาก